124ิ12ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัตทุกกฎด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ทรัพย์มีผู้ครอบครองสําสำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคาหนึ่งมาศกหรือน้อยกว่าหนึ่งมาศส 4. มีทายจิตปรากฏ 5. ภิกษุจับต้อง ต้องอบัดทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตทุกกฎ